และแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกทั้งปวงของมูชนอันจะเอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถบำเพ็ญกิจกรณีที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตนหรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุดตามอุดมการของมูชนนั้นตลอดจนเกื้อกูลแก่การที่หมูชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการกิจการและประโยชน์สุขความดีงามของตน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 แต่เพราะในตอนที่เพิ่งผ่านมามีความพลาดพิงถึงจึงนำบางส่วนที่เกี่ยวข้องและควรทราบมาชี้แจงแจ้งไว้คราวหนึ่งก่อน